ปุกสาขาไหนในประเทศจีนที่พิจากันมาโดยการแต่โดยมีสังคมสีกันเรื่อยมาจนกระทั่งสีสันนี้อาจะประมวลแล้อุอาวิธามของโลกก็มีอยู่สีสูงที่สันคือว่าสามอู่แรกอยู่ในภูมิเอเชียของเราสาหอู่แรกอู่ที่หนึ่งก็ได้แต่อารยธรรมนรูปเหมือนน้ำไปทึกจับอยู่ในตึในดินดที่เรียว่าเอเชียไเล์อันได้แต่ประเทศที่ต่างเขาประเทศทีรัก กิเร uh, ียปัจจุบันนี้เรียกว่าอินเดียเอเซียอมลอารธรรมแห่งนี้ก็มีคนชาตโบราณท่มีนยาติเป็ได้ได้แก่าตบาบิโลนภาพอัฟกีรียแล้วก็ชาติเปอรเซียนซึ่งเป็นผู้สร้างสันคอารยธรรมของลูกน้อยู่เป็นซิสตะไคร์คลิสตกเมื่อเราเอาสิ่งทันหะทัดีเสริมมาแล้วอันเป็นบกเิมต่อารยธรรมที่แหลายทามกลประเทศกรีโรมัน อาเรียติมุที่สองก็ได้แต่อาเรียติมแห่งลูกม่น้ำสินคและคงคาซึ่งได้แต่อินเดียเราไปเล่าไปแรกจรที่3ก็ได้แต่ห่งลูแน้ำเหลืองวางเอในภาษาจีนลูกแ่นเหลือและภาษาจีนตัวอารมุที่ได้แต่อารียติมเขาพวกกรีกโรมันในยุโรปซึ่งไม่จาเป็นจะต้องพูด นี่ยจะอินเียจริงานะเป็นประโภศโบราณมาา้าอำนาจเท่านึงในโลกในกสมัย2040ลูกชายแล้วก็อารยธรรมของชาตโบราณทั้งสองเนี่ยก็มีลักษณะละไม้คล้ายคลึงกั น, กนแต่ว่ามีแค่ที่แตกต่างกันก็คือว่าเป็นภาพึีนั่นเป็นภาาศี่ขยันจดขยันเสียนส่วนเป็นข้าอินเดียนนะเป็นข้าเป็นขาที่ขยันจดจำไม่แค่ขีดขัเสียงแต่ขจัน เรื่องาำจำแล้วมันา ม, ม, ามีภาพารราาาหลายภาพภาพบนเรือได้เอาเรืสามารถทรงจำเทวะทรงจำพระไตรปิฎกตั้งมากมายหลายหมื่หลาย ล, ายล้ า, านคนเพื่อมันสมองตเองหายทอดผ่าทางศาเพื่อจะมุขตาผ่าโดยไม่จเป็นจ้อใช้เครื่องไม้เครื่องมืมอาามมขขมมหรือ ว, ว่าก า, ารจดจำอะไรแต่ว่าคุณภาพทีนั้นคือเป็นภาพที่มี อ, อาถสต้มาแต่โบราณคุณภาพที่มี อ, อาถราสเข้ามาแต่โบราณ น, นั่นปัจจุบันสูญภาพไปหมดแล้วเลอแต่ภาพจริงภาพในโลก เป็นว่าคนาตโบราณเป็นปุ๋อินทรยีย์้ารสอนลพากเวลาไี่กันนี้ชนชาตใดเรืงให้เสอูกพากจากชาติอินทรีทแล้วแล้วต่อมาในสมัยรุ่นอารยิิรุ่นใหม่ซแบบึ่งมีชคชาติอื่นอื่นรัอาทิตตัวอักษราสเป็นเคียนบ้ามาประดิษฐ์เป็นตัวอักษรเปนอักษรกรอักษรโรมันอักษราอราหรูบซึ่งเป็นของรุ่นต่อมาแล้วพวกรุ่นโบราณชนโบราณก็เห็นแต่ภาตเดียว ยิงรู้จักให้หนังสือต่างๆทำตีมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีข้อความและปรวัติอะไรต่างๆที่สึกษารึกษาได้ในทางเอกสารมากขึ้นกา่าภาคหวือในโลกอาจจะศึกษาในบ้านโบรางคดีปรวัติศาสตร์ระมาคดีแล้วไม่มีภาดไหนสู้ภาคีนได้เพราะว่าีหนัจบไ้หมดนี่หมดเป็นหงสือเป็นอะไรทั้งหมดแล้วทีก็เป็นภาคแรกที่คิดทำเคร่องทิงได้ทงหนสือได้ทากระดาษได้กระดาษที่เป็นกระดาษ อย่างไาข้าทวันนี้เนี่ยเป็นภ้าก็ได้ที่ทำได้ให้ใช้กระดาษที่เป็นกระดาษปาปิรุแบบอีกอันเป็นเปลืกม้กหรือว่าแบบใบลานที่เป็นใบไม้หรือว่าแบบหนังแตะอย่างพวกกรสปุกโมมนในสมัยโบราณต้องจดข้อความในหนังแต่หรือในแผ่นทองแดงแต่ดินนันทำาตบาษด้ตั้งแต่ปศ400เศษดินกระดาษได้แล้วก็เอามาดินเป็นตัวหนังสือดินเป็นเล่นได้หนังสือเล่นแรก ในตัวรืองแรกที่คินขึ้นเป็นหลักฐานเลยโย่ในหนังสือทินในขสูตรเขาพุทธศาสนาคือเมื่อปศ1500พอเขาพัน500ปีเศษถึงแบบนี้ก็1000ปีเศษมาแล้วเป็นงสืของพุทธศาสนาเล่แรกปัจจุบันยังอยู่จะอยู่ที่ทิตฐิพกนรคุณดอนดันอยู่ที有有่พิฏันธ์คุณดอนเป็นขาสูตรในทัศนศาสนาข่าวมหายาที่ว่าพระปรัชยาสารมีตาสูตรแลเป็นคีน้ชื่อว่าคินกลงเต แต่ล่างกราเอีย็ยนาทีจะทำคลุกดำๆนี่จะเป็นสีเล็กของโลกรห่งที่จะมาคิดกนังตือได้หลังกีนแล้กวาีงที่เราจักการกินังสอหลังกิสีแกว่าปียงล่าหลังเพราะฉะนั้นการที่เราจับลำดับของโฆษาแต่ละประเทศเมื่อพูดที่อินเดียจบไปแล้วเราก็จะมาเริ่มขึ้นในมือจีจึงเป็นการแหบสมกับความสำคัญของประเทศและการใหญ่โตของประเทศนี้ ก็เช่นชี้นะสมัยเมื่อเราศตกษ า, าทั้งที่งจะมาเรื่องต้นบดที่ห น, นึ่งเมื่อห้า0ันปีมาแล้วแต่ว่าอานี้ถ้าทำตัวอ่จีนก็เป็นภาพตายยังไม่มีใครรู้นักวิทยาศาสตร์วิทยาสงถามว่ามีอาจจะเป็นคนภาพเอาเรี่วกับพวอัสตราเรียนพวอัการาเรียนซึ่เป็นพวกหิเหลมีคมดำเงาในเมืองโสโตามไือนเอเชียไมย่เลือกหรเลือก มีดินแดนที่อุดมสมบูรณดเียกว่ามีโศก ต, ตาเตา น, นืองตั้งคู่กนบาดีแล้วต่อมาเมื่อเกิดการเดือดเดือนจากชนต่างเผ่าเข้าตุกคาเรียนก็ได้แยกแยกสาขาออกไปมีสาขาหนึ่งอะยพ ม, มาทางตะวนันออกมาทางตะวนันออกเดินตามทางตะวนันทุกในที่สุดก็เ้มาตั้ง ร, กรุรรลงงรกลาอยูในประเทศจีนแับนี้แล้วตอที่จีนเก็มาตั้งในประเทศจีนแบบนี้ในประเทศทีนเองก็ไม่ใช่เป็นประเทศลกา แต่ว่าเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของถิ่นอยู่แล้วสาวแกมากมายพูกที่เปเจ้าของถิ่นนั้นก็ได้แต่พวกตาป้าบักพวกคนไทยบักพวกแมวบักพวกกระเหลี่ยงบักพวกกั้วบักพวกพนุษยในตระกูลโรมีเซียนบักพวกมนุษในตระกูลมอญขม่งบักพวกมนุษยในตระกูลอาาซึ่งพวกอาโมขาย่างเหินาจะไรขาจวพวก้าขต่างๆพวกนี้เป็นมนุษย์ทท้องิ อยู่กันกระจัดกระจาเต็มไปในภูมิภาพอันเต็มแผ่นดินอาณาบริเวณกว้างขวางเขาไม่เคยกินแบบเดิแต่เนื่องจากคนข้าก็นเจ้าของถุงนี้อยู่กันมีสุุ่มเล็กมันจะเป็นสุกหินมีการรับกลุ่มข่าวการต่าเๆอยู่เสมอที่เป็นการเปิดโอกาสให้คนภาตใหม่ที่ชาติพิเข้ามาย่านที่นีแล้วก็ขับไล่วเจ้าของถุนเดิมแต่พวกนี้มาทางใต้ทงที่เราทรากันอยู่แล้ว ที่พวกเรานี้ก็ร่นมานหลายอินโดจีนหลังจากนั้นอินโดจีนก็ร่นไปอยู่ในหมู่เกาะอินโดนีเซียกระจดตกรายออกไปกระทั่งบางส่วนกระั้งภูมิลังกาในหมู่เกาะมาดากัสการ์บัและที่ออเตรเลียบัตนี่อย่างนี้ก็มีนประวัติศาสรเป็นมาทั้งนี้คนชาติจีนที่เข้ามาในประเทศจีนนั้นได้อานศาสนาแัะนานธรรมทั้งตัวเข้ามาด้วยศานาบงเรี่เราศึกษาเป็นศาสนาโบรา แหงวัฒนธรรมชาติต่างๆดินน้ำใจโลกแล้วก็บูชาพระบูชาดินตามอย่างกะบพวป็นโบราณเอาวิถีทลายจีนก็จะมีนักพิปรัชญาเป็นหลักฐานต่อราวสมัยไล่ละเอียดจากข้าพระต่างเมื่อตั้งประเทศมีราชวงศ์กษัตริปกครองเป็นสุกแผ่นเรียบร้อยแล้วก็มีบรรดานักคิดของจีนที่นบอกถึงเชื่อบ้าเหลาเชื่อ้ว่าจะสร้างปรัชญาสร้างตัวของคนจิตใจของคนเมืองเหล่านี้ ว่าเมื่อพุทธาสนากเข้าไปถึงพุทธาสนาก็สามเอาชนะคันดาวรัิสานาแ่งเดิมเหล่านี้ได้หมดเพราะว่าคํสต่งสอนของุทาสนานั้นสิ่งใดที่รัิของเชื่อรัติาวมีตึงนั่งคำสอพระพุทธกจาได้แต่จึงไดซึ่งผงเชื่อกระเหลื่องไม่ได้ไม่ได้อนได้พระพุทธจ้สอนได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงได้รวมเอาผมเชื่อกระ๋าไว้ด้วยจึงกลายเป็นพิาสนาคณะใจ ปันญาปัญญาชนเอาทีขยายให้มันนักถืออาการที่พุตจัดการณะจะฆ่าเขาไปในมือทีก็ปรากฏว่าหลักฐานแน่นอนที่ปรากฏข้า้าไปในสมั ย, ย 45, ศรย 45, ว ร, ร, ราาศ ท, ที่ห้าผรศตวรรษทีหหลังพุทศตวรรษที่าร้อยสี่อาการที่ผุตจการคณะจะฆ่าเขาไป น, ะ น, นั้นเธอจะฆ่าทีนกขยายจากตวานไปทางตะวันตกคือทางไบเดเรียอ่าเป็นตะวัทีฐาน กรณีสถานเขาชนกันอินเดียครัทางค้างทางดาราจากทางทเน์ศิมียะศิริวรับจากมิวร allora pues like, ักษ e ์น <t iembre> <ub liches el> ี่ตันดาโอ้ค้าเราทุ่ยเอเชียสายกลางยุโรปอีฐานเมื่อมีการผลิตผลิตค้าไปมหาศางก็มีการพูดถึงจิจวิสัชรของศัตรูศารนาทอดอยากมีศาสนาอื่นเช่นประเทศอินเดียเป็นศาสนาซึ่งมีเห็ุผลแล้วก็ เป็นศาสนาที่ตังเป็นศักดิ์ศักดิ์ิดิตัณฑ์นี่น่ะโด่งดังเป็นที่คุยกันจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งธรไมดาบู่พเพอาทายทอกันมาเรื่อยจนกระทั่งพบข้อโสดของสถาพจีนในราชปูนฮั่นเขาท่านระวัต่าว่าโดยการเหลนี้แหละเป็นเหตุให้สถาพราชปูนั่นไดรตังให้คำาิิตาเหล่านี้ถักอมาได้ในจิตใจเป็นนึกจนกระทั่งเวลาเป็นการหนึ่ง มนิมเห็นใจเหมือนว่ามีพระพุทธองค์คัมรอยมาจากอากาศจากปฐมเถรและก็ระรรมังสีกจายสว่างไปัวพระเาชมังกรนั้นเมื่อถพระบัณ์แร้จะกระพัดก็เรียกบรรดาหลวงมายากรว่าวันนี้ไม่ใช่กากดนั่นนะจะให้ร่าให้ดีประการไดขหลวงัเ้ใจว่าจ้าต้องอิจฉรของกษัตริย์สนับดีแล้จาก่างพระค้าต่างหลาย ไปมาศาลฉันพห็นข้าพยากรณ์บอกว่าลักษณะที่เครื่องตัวบิเห็นั่นฉัจะไม่จะดีใจแล้วน่าจะเป็นฝ่าพระดาของชาวอินเดียซึ่งเั็ที่เรื่องมกันว่ามีทางสังทันเป็นปัจจัยที่เป็นการทันเรียของรัฐเรืองใสอยู่แต่กระนั้นเราคงไม่ได้ส่งเราจะพูดทดหนึ่งให้ออกไปเป็นทุกปะในอินเดีย รัชก in ุฎ <inequ> ช <ity> in ุดนี in ้ไม่ได้เดินทางมาทึงอินเดียเลยแต่ว่าเดินทางมาแค่เปอร์ียสถานหรืออย่างมากก็แค่อัพอาลิสถานอันติดกับอินเดียตอนเหนือเท่นั้นเองก็กลับฝั่งราการกลับตอนนี้ไม่ได้กลับไปกล่าวได้มีมลพระเถระชาวอัฟพาลไปด้วยสองรูปรูปหนึ่งมีชื่อว่าธรรมระอีกรูปหนึ่งมีชื่อว่าตะเกียงปากมาตังค์สองรูปไปกัน แล้วก็นาคำธรรมคัทีโดยท่า น, นเป็นภานษาสองภาษาเ น, นวลมากมันพันพุกอยู่บนฐานะฐ า, านะนี่ก็ใช้มาสีขาวมันเป็นสคณิจมันพุกไปถึงราชธ า, านีของจีนที่เรียกกันว่ า, ามณฑลลพบียงเมื่อประเทศมณฑลลพบียงแล้วจักรพรรท่ า, พาโปรดให้สร้างสังขารรามาของแรกขึ้นในประเทศจีนทางระวันตกทิศตะวันตกหน้าอ่ายตทางตลังตกวัดนี้เมื่อสร้างเสร็แล้ว เพื่อที่จะไปให้เป็นอนุสาวร์แต่พะอณะที่ให้เราอาจจะตอบว่าวัดเตยตะอัศวารามวัดน้าขันเองเตยตะอัศวารามเป็นวัดสังขารามแห่งแรกพระชาอาักท า, างสอรูปคือท่านธรมรักษ์กับทัานากัปติยะตะมาตังคะได้ศึกษาภาษาจีนจนพมีความรู้พอสมควรได้ร่วมมือกับ น, นักลายชาวจีนแปลพระอวัจนะจากคัมภีร์ธรมบทออกมาได้สี่สิสองบทด้ยวยกัน ในวคดีพุศาสนาเริ่มแรกในภาษาจีนแท่หลายออกไปแต่รยะเริมแรกนั้นพวกศาสนาเตาันเป็นาสนาของเหลาื่อศาสนาดั้งเดิมของจีนมาก่อนพวกเสาก็เกิดความปริยยาไม่โฆษนาจะให้พุทธศาสนาเข้ามาตั้งมาหน้าในโฆษาเตาจึงได้าใให้ใทางปฏิหารให้แทนปิหารกัน โดยที่ตัวเองอ่ะให้สัญยาว่าจะเผาคำพีของสาวทั้งหมดพวกพิจาเดียวก็จะให้อำนาจเวทมนตน์ทำได้คำพีสาวทั้งหมดสิ้ไปเท่าตองปุรีเนี่ยกลับมาเป็นรูกเล่มหนังสือตามเดิมถ้าหากว่าทำได้เช่นนี้ขอให้จะกรพัรดิขันขัดไล่ขุนดาพันห้าจานั้นก็สงแต่ขันเขาก็ยินแล้วถัาเจอข้าไลก็จะไปทิ้งข่าอยู่และ เมยักรวมตัวเป็นเล่มสมุดได้เท่า น, นี้พอชานคนก็เห็นบอกว่าใีปาฏิหารแล้วไม่ขังจริงก็แล้วกสาวสี่ส่วดอ้าวได้ว่ามีวิธีเอร่จงงนี้นาไม่จริงก็แล้วก็หมดความลอกลับบอคาถึงทางข้าตัเบียตปามาตังค์ค่แะแต่ถ้าธรรมารักจะแสดงปาฏิหารยบถ้าเอาอ่นอาจารย์สององค์นี้น่ะมีองค์หนึ่งท่านได้พิญญาค่ะเป็นแบบพิญญาค่ะ ได้ดีซะด้วยแต่ปญญาแต่หาว่าเป็นพระที่มีปิญญ า, ากำลังรัวอยู่นี่พระ อ, องค์ขับบาา้นศมาทางพระพระบบปญญาท่านก็อธิษฐานริกลอยขึ้นไันอนากาศแลแ้ว็แสดงสิริยาบทสีในข้ามกลางอากาศคือยืนเดินนั่ ง, น, งนอนข้ายากฏแต่สาปรงชนโดนท่านธรรมรั่งพนะราชนาพระบรมนห้าข้าดงสาธิฐานขผรัมีเป็นขัดพันระสี สว่างเปรร็นผ้บริมุ่นซึ่งที่ตากวดก็ตาขวดก็ปัดานักบวชะนราชป่าจานวนเจ็ร้คนที่ต่อาสนาเฝขบวชแต่ทั้บวในเวลานั้นเขาจะว่าจะบวชให้านเเพราะว่าสงยังไม่ครบองค์มีพระององค์เอ ง, เองจะไปบวชยังไงกันได้ก็บวชให้ผ่นเลยนั่นเองอย่างไรก็ตามในสมัยเริ่มแรกในราชมิหันนั้นน่ะพวกศาสนาก็ยังไม่สามารถที่จะทอดหลายหรือว่าตั้งมั่นเป็นขาบลงไปได้เพราะว่า ธรรมาก็ยากที่จะโขนเข้าถึงแล้วหนเป็นภาษาต้องตะกฤษจะแปลถ่ายเข้าเป็นภาษาจีนก็ยากผมจะเอาถึงเอาพ้นเพราะภาษาต้องหาตัวยากจึงยังกลายเป็นศาสนาที่นับถือในหมู่คนท่านสูงนั่นเองยังไม่ได้ทอดลายไปถึงราษฎรสามัญทั่วไปเหตุการณ์นี้นะเรื่อึงผ่านมาจนกระทั่งถึงสมัยเข้ายุกสามก๊กตังก๊กมา ตุลาปาเขามีอยู่แล้วว่าประเทศจีนในราชวงศ์จักรพรรดิเฮียเต่อันเป็นจักรพรรดิโชมฮั่นองคุงสุดท้ายน่ะเลเต้แล้วก็ลงมาเียนเต่เฮียนเต่เจักรพรรดิ้าอ่าาประเทศจีนแบบงเป็นปหรือก๊กโจโฉอันเป็นอุราชหรือเอาลึนันยังถูกวาเหนือทั้งหมดนอาเขกว่าตีตั้งราชธานีที่เมืองเตโในมณฑลเซี่ฉวนคือจินตะวันตกกับยุนนานอ่าก๊กอานควร ตังราชามีที่มังคงสีเทียงลงมาถึงกางสีกลางต้นคุยจิวมีไปก็ของสุ่กว่างสามก็เกิกันพระอุปราชสมัยสามตมีพระเถระอินเดียอีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระตชีวะเดินทางทางทะเลจากอินเดียอ้ออาวไายเลือกฝั่งอินโดจีนฝั่งยวนขึ้นที่เมืองเมืองตังเสียและเดินบกจากตังเสียเข้าไปในเมืองของสุ่นกว่ง ท่านพุทธชีวะผู้นี้ได้ไปจับใจสุ่มควงให้มาเป็นชาวพุทธแล้วุ่มควงก็ปัตยามคนเป็นยุคองเล็กคนแรกในจีนใต้สร้งยัชวัตรแรกให้กับท่านพุทชีวะอยู่ที่เมืองหลวงในมณฑลจี่เทียงพบประสาทสาจึงออาศสยท่านพุทธชีวะเนี่ยมีกำลังสามส fallen, ารถแฝงหลายในจีนใต้ได้จนเร็วว่าในสมัยสามก๊กเปล่าถกขอต่อแปดล้านเศษพประสาทสมาได้แฝงหลายทัานทีเหนือจีนใต้ ต้แอตเตตอตื่นขึาขั้นมาถึงสมัยราชวงศ์ยุยหลักเมอากอยชุน่ำตับของจีนึีนใหเป็นรีนหัวจีนป้าทางีเหนือตรงมีพวกตาป้ากตาดพวมงกนเท้าตางๆยกมาตีเกทีเหนือแล้วพวกตะกัดควกขาพวกตา้าพวกนี้ก็ตังตัวเป็นตะกัดีตั้งราชวงศ์ปกครองเมืองจีนและวสนัรทำจีนก็ พัวตากอ่างนี้เรคะแต่เป็นกำลังในการขายโฆษณาทนาเหานี้ได้ส่งพูดไปเชิงประเทศละอินเดียกันมาให้มารปลมะทำดีกันปรากฏว่าเวลานั้นเหนือเป็นยุคทองของโฆษณาจนาระทั่งกลายเป็นว่าสถิติที่บุกเขามในจีเหนือมีสองล้านลูกสองล้านลูกนะประเทหนือแบบนี้สองล้านลูกวัดโฆษณาก็ตั้งในจีเหนือน่ะมี 0,000 มื่นกว่ามีพระเมนสองล้านกว่าวัดห 0,000 กว่า แล้วก็มีการเจบะข้าในในในงเจะภูเขาในมดในมือเป็นหว ง, ง, ง, งเขาเป็นเขาลัางตะวันมีอระยะทางยาว12กิโลเมตรเขาขึนเนี่ยและเขาทาั้งขึ้นนี้เป็นเขาอยู่ในกลางทะเลตายมือไม่น่าหลายถามหน้าเขาเป็นโอเอ s ิสเออซิสโอเอว่าเก่อกางทะเลตายโอซิแปลวกาอกลางทะเลตายมือ ต้นไม้มันจะพันขึ้นรุนรีแล้วก็มีแมน้ำไหลผ่านข้ามความดามรลืดกันดามของรกษตรกรที่วูเขาในเมืองตนหัวนี่แหละบรรดากระปัติตะกีเหนือได้ให้แองงานมนุษย์เจาะกระกัตอ้ามเข้าไมองดูแต่ใจเขาเท้าลงขึ้นเป็นรวมห้าพันกว่าข้าใหญ่้างเล็กมากและแต่ละ้ามนั้นเขียนภาพพัฒทาประวอาเบกิตกรรมในพุตธาสนา ด้วยสีเด่นโรงโคตงามมากประหลาดัจภาพกิจกรรมตัดอันงทำหล่านี้มีคนคำนวว่าภาพจะมาวางขอเป็นชิ้นๆต่อเนื่องกันแล้มีระยะเลาประมาณการประมาณ20ช่วโมงเสร อันหลังหลับตาไม่จริงพริงว่าอ้าดเสียงยาวกว่า40กิโลเมตรนี่เนี่เป็นสีมือาัศจรรย์เท่าไหนจะต้องเรียกว่าเป็นสีอัศจรรย์ของโลกกว่าป่ะในอินเดียเราได้ยินว่ามีภาพเอโนล่าอัคันตป่าอัคันตะเอโนล่ามมีกิจกรรมอัตปาก็มีกิจกรรมแล้วก็มีการสลักหาสีิงขึ้นไปใหี่ทุ้งก็มีสีลักเป พุทประวัดใหญ่น้อต่ออีกถึงมวก็มีบ้านให่ดินก็มีมากมาย่ต่ประมวลจึงมีแอรุแล้วให้ต่างจากหล้านองถ้าคงใหญ่องน้อยไม่อยู่้ล้านองนะูเขาทั้งเรือนีิบกิเมกวางยาว้ามห้พันกว่าพ่ะอันนี้ถ้าละมองดูแตใจมองดูเาพุกนี้แต่ใจให้ใค้ลงทมาให้รวเอามาตัไว้กาผดิน แล้วก ا, ็ให <n bothers> ้ไป็รียนายกเจ้าของภาคปรจารุชื่อระจารุปรวัตและการปฏิฐานคือเจ้าของอะไรแลกว่าพระเจ้าแผ่นด้นคงนั่งชื่อนั่นอีเดียวผนงานคงนั่นชื่อนั่นอุทิศส่วนบุญได้กับใครสร้างคำนี้ขึ้นบอกได้หมดอาหารเวาไปเที่ยวทานี้อ่านคำประจารุจอมแลวเข่ากับศึกษาถึงประดามศึกษาประวับสาสร์หนาศึกษาประวัสรพะงค์ึกษาประวัิส่วนบุคคลไปในตัว่สเดียว ในถ้ำนี้เป็นงานประจันเป็นที่สีบ้่งหลาดอยู่ที่ว่าถ้ำนี้แต่มาหายไปจากความตระจันของคนตั้ง7 0ปีคนลืมไม่ได้700ปีบาปถ้นผูกจันในทะเลตายพัดบหมดพับหมดไม่มีใครรู้เพงจะมาค้นพบถ้ำเหล่านี้ข้าเมื่อไราบบตึกรีมนี่เองกจากนะผู้โดนคนหนึ่ง เดนทางไปผูดงแล้วก็พักอยู่ที่ปาข้าแหงหนึ่งตอนนี้เป็ปรยายุใหญ่พัดเอาไฟในถ้ามาพางกาพังนังกผูดงคนนี้สบายที่ว่ามองก็้ไปล้วเห็นึมโพงมีอากาศก็แปลกใจตัวเองก็คุยไปคุยคๆๆเอ้ยฉนเป็นพักก็เดูนสบายหรือตะเกียงก็ไปพอตะเกียงสองที่ไหนได้โอ้โหลาบ เ, เป็นลิงเทวีใหญเป็นปลกูกเขาเนูจะวนืุ่มามากมาย เป็นรูปั้ปรูนนังทั้งยิ่งองสวามสีดินรูมากมายเป็นรูปันเป็นอย่างนีแล้วยังไปทอปดาพนังคำทีปิจาริกข้ในใบลานก็มีเป็นเล่นก็มีแตกเป็นม้ก็มีอีกนวนหยอยเรีมาเป็นหมื่นหพันวางต็้องต้องต้องต้องแล้วยังไปทอภาพพระบดบนคือภาพเสียงเื่องพุทธประวัติลงบนผนทานะเรียกพระบท ด้ชีพักเป็นม้วนๆม้วจำนวนสอร้วยกว่ามวนด้วยกันแม่คือของมหาปัญมานักโบราณคดีทัโลกแตกตึงเดินทางกันมาใหญ่นักโบราณคดีทางติดมาขนไปมากที่สุดขนใต้ตั้งสองลำเรือที่ท่าใหญ่ขโมยขนไแสองลำเรือที่ทาใหญ่โดยที่รัฐบาลในสมัยนั้นไม่รู้เรื่องขโมยขนไปสองลำเรือแต่ก็ดีแล้วที่ขโมยตัง ขมไมขโมยตายเลานีม <OT> <m ul ite> ันจะอยู่หรือเปล่ามันจะถูกทายไปหรือเปล่าก็มรู้เวลานี้อยู่ที่ทีสุพรรณบุรีตตัดที่ที่รระองทาาวุโรปต้องตั้งสมาคเี่ว่าสมาคมศึกษาและากับถูกงตุ้นหัวขึ้นเป็นสมาคมซึ่งมีโบราณนับโบราณคดีนานาชาติเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการเรียกว่าสมาคมศึกษาและตากับถูกแผงตุ้นหัวเพื่อเป็สมาคนค้น 5คำกว่าคำขั้นนั้นเองบ้าเป็นสมาคมซึ่งมีกรรมการเป็นนักโบราณคดีแลกประวัติศาสตร์ไอ้ที่ฐานะชื่อดงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกไอมาคิดอย่มีเราไปเห็นกาัทานของท่านอาจจะตัุกขากศาสนาซึ่งเต็นสมัยโบราณสร้างได้ในที่เหนือต่อมาเข้ามาสู่ยุคราชวงศ์ถังโดยสมัยราชวงศ์ถังนี้นะก็รากฏว่ามีนักจารักโบราณคดี เดิ season, ทางไปศึกษาค้นคว้าพุทธศาสนาด้วยตัวเองถึงอินเดียเป็นล้านหลาต่อหลายคำด้วกันนักบรรดานักปูโดชาวจีนเหล่านี้น่ะล้วมแต่มีชีวประวัติอันน่าตื่นเต้นและน้าเกิดสราภามาอ่านแล้วทำเราท่านอยากจะเล่า้ในความที่เป็นศิลปะทท่านลาจะเห็นได้ว่าศาสนาพทเนี่ยจะแค่หลายไปโดยที่บรรดาปรพาจารย์จะไม่เป็นลไม่มีเลยเพราะว่าศนา เป็ศาสนาที่เกิดในเรียมตางจะแก้ร้าโดยต่างประเทศนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมพูดเป็นหน้าที่สำคัญในการนำาปเผยแพรแล้วผู้ที่จะทำหน้าที่พระธรรมพูดนั้นก็จาเป็นเลยจะต้องมีความทรงรับคับดีต่อศาสนาว่าเอกู้องต้องมีความเข้าใจของแท้พระใารอย่างลีสาะต้องมีกาลังใจแพราะมัจะตายเกิดศาสนาได้อย่างนี้แล้วจึอสามารถจะทาหน้าที่จนธรรมพูด เราพุทธศาสนาไปสั่งรักไปสั่งประเทศเรัขนใดบรรดาพระสงท์ชาีในยุคแรกของังคือประมาณ 4,000-5,000 คุณ 4,000-5,000 ระยะนี้เป็นระยะที่มีการตื่นตัวในการศึกษาประพุทธินะจีนจํานวนมากยอมตายอุทิศตายอุทิศชีวิตฝากบัณฑิอินเดียเพื่อที่จะไปศึกษาพุทธศาสนาในแดนเกิดเพื่อศึกษาและกลับมา ทำหน้าที่สั่งสองเพืรุ่นข้าทั้งนั้นต่อไปมีจำนวนตั้งเป็นพันองค์เดินทางไปแต่ถ้าเนจานวนพันๆองนี้่ะาตายร้รั้กับมีโอกาสแค่ีิกกลับมาเพียงสิบจักรูก็ตายทิ้ชีวิตในท่าทางเดินทามากมายตายในกลางทะเลไปบไปเจอตุลย์ภัยปกใจตายบ้างตายด้วยการถือถุงไข่ข้าวเสกยืนยัน ตันไป ส, สรกับมาหนึง่งทังๆที่ไปเ ส, สรกันมาห น, นึ่งนี่ท่นก็ไห้ระยอกหยังไปกันเวลานั้นรถทามันระคันดานรถเก๋ไปเหมือ น, นอยู่นี่อ่าเส้นทางการเดินทางถ้าไปทางทิศเหนือต้องข้ามะเรตาวโกบีอะเรดายโกบีเวลานี้ยากหาคนข้าคยังายากเนาะอย่าว่าไปสมย 100, ปยัยมที่พันปีแล้วจะยากแค่ไหนทะเลดาวโกบีนี่เป็นทะเลรายที่ระันดานที่สุด รถไฟต า, ากลาราเอยียทะเทอย่างนั้นลูกรตากลารใหญ่ที่สุอฟริกาเนาะแบงกแอฟริกาเป็นหัวตาอลกินินล่มาันะโมร็อกโกฟุนิเซียในเขตแอฟริกาเหนือพ อ, อ, อ, อ, าอจากนี้ก็มีทะเลทรายตาลค่ยาวหลายหมื่นไมล์ทะเลทรายาา มาอกันได้อย uh ve ู่ท <t> ั้งปาแบ่งแอฟริกาเป็นหมู่บ่าะเลทราาาราด้วยครับแล้วก็ในแอฟริกาก็มีระเทายคาราฮารีคราฮารี้าอฟริกามีสองระเลทรายที่มีช <Sept compromise> ื่อเสียงคือทะเลทรายซาาราเป็นทะเลยรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ระเลายคาราฮารีอยู่ในแอฟริกาอางก้าสุต้าสานีใเอเชีย เรามีรสซายอารัปเรายรัปแล้วอ็ทเลสายทางในอินเดียภาคตะวันตกแล้วก็ูบีในมองโกเลียตะวันกียเลสตะกรมาันในประเามีในเอเชียในอเมริกาก็มีทะเลสาะุนเนี่ยเะุนเนี่ย อันมีชื่อเสียงนี่เป็นทะเลทรายที่มีชื่อของโลกต่นี้ทะเลทายโอลีกับปากการามากันนั่นพูดก็พูดไปเะความบริกันดานน่ะต้องวันเรืองจัอุมเลยล้วองศาเป็นดิเกรความร้เลยแล้วองศาเป็นเกรนะใส่ทั้งฟองเอาใจจบให้ดีอุึนใจพระกันดาน่น ขาลงในตาวันทไข่สุดแล้วเร่อนตาวเ ก, เกิดเวลคนวามหนาวตากว่าศูนยวันเดียวอากาศเีนนิแค่ไปนขนงขั้วตองร้อรางจัดเร่องใตาวันท่เกิเา่อ า, อาิตย์กดินแล้วอากาศเย็นตัำกว่าศูนแล้วอย่างนี้คนที่ไม่คุ้นเคยกับตินตา า, าจะต้องไปตายเนี่ยตายน่ตายตาได้อดานา ถ่าตายปลกโจทย์ข่าตา ย, าาตายก็ต้องตาเด็วยผ้ชินห้าอากาศตายต้องคนที่มีกังหนันหดหดคนสภาพของแรงคนเดิตายก็ไม่จะรอดตายในการท่าทะเตายโมบีนนม้อย่างนี้ระกันดนมากเบื้อเดนห้นาอากาศมีตับมีติดมผ่านเลยแม้แต่ตัวหนึง่งลูกไม่มีแม้แต่ตัวหนึง่งไปต่อเห็นนักบอหนึ่งบนหนั บ, นบนนะมือมแล้วไม่มีหมลุงหยาทายาเลยมีเลย เรื่องล่างตัดเลือคทางเออยี่นี่จะหาสตเดินสิ่งคึ่งมือเนี่ยไม่เจอไอ้นี้เลยเป็นความถนักเงี่บมองเห็นแต่ไฟแต่ขอบ้าและก็คู้มิประพบวันหนึ่งตปี่นหลายครั้งมีลงพัดไปเป็นพายุทรายเปลี่ยนเลาเดินผ่านเพียงหนึ่งนาทีทุบหัปเพื่อเปลี่ยนบางทีเราเดินา่านก็จะไ่รเขาหาขาัจะขาดทังมาไว ก็าเดียวคล้าหลังเขาขึ้นจมูกลองมาย้อนหาเป็นทางผู้ขาก็างห้าหายไปแล้วไปรู้ไปไหนก็ไปรู้เอามหายไปฟ้าก็ตกหมดเรียงใม้ภูเก็ตไอ้ผิดเป็นฟ้าหายไปกลายเป็นหลุมหมอก็มีอันปราดมากเพราะเป็นั้นคนจีนไปตายไปเที่ยวฟ้นัดต่อนัแกมปข้ามไปาแห่งนี้บันดาลว่ทไมหหายที่จะ่ปคุณเดียแ์กันเอาชีวิตมาพิ้งเลยตายเนี่ยไม่แู้กี่แรกกับกีได้ลูกลาบากแสงเห็นต่ถึงแต่นั้น ท่านที่รอดชีวิตตายท่านก็พยายามบุกฐานไปตายจนบ้าตายก็ที่ตายก็ตายไปที่พยายามตากพยายามไปนี่อันนี้แหละเป็นเป็นเป็นการกระทําที่น่าเลื่องไปพยายามไปก็พยายามไปนี่อันนี้แหละเป็นเป็นเป็นการกระทําที่น่าเรื่องใสเป็นการสระชชีวิตเพื่อมู่งพาศาสนาโดแท้เพราที่ไปทำทะเลเราจะไปง่ายๆนะทะเลน่ะ จีนเป็นชาพิี่เดินเรือไกลที่สุดใลโลกม่มีชาตนะิ้นเดินเรือไกลเทกาจีนเพรา่าเรือสักพายของจินน่ะเรื่องี้จักท้ามาตั้ง 2,500 ปีมาแล้วเรือสักพาอ่ะนี่ท้าจะมาลั่นดีไปแต่ว่าเรือสักพาแบบนี้ไปเจอไต่ขุนเขาลอยข้างลอยฝังอยู่ในมหาสมุทรนี่โตไต้ขุนไม่ไหว้าหาว่าไปไม่ด้มูมระสุ่มไม่ได้อาศัยในมอระสุ่มหรือต้องไปอดตายกลางทะเล เรือก็เห็นแรงท้าช้าช้าไปเอาตายน้ำจืดเตรียมไปไม่พอก็ต้องตายอาหารเตรียมมาไม่พอก็ต้องตายเพราะงั้นการเดินทางไปทางทะเลต้องเลือกเดินทางในฤดูมรสุมเตรียก็ะไต่ปูการเดินทางก็ต้องเลือกฟังฟังฟังทะเลไว้เรื่ยไม่กล้า ไ, ไปาการใจกลางมาหาสมุทรหางฟังไล่การเลือกทางทะเลน่ะดีไม่ดีโถโถปไปเจอผีโขคกเรือแตกตายอีก นะทีไปทาทะเลนะ่ะาเลยเลยแต่ถึงกระนั้นที่ไม่ยอมตายที่ยังไม่ ต, า, ตายจะกุศลปากมันไปคนเการเดินทางก็อาศัยเรียบฝั่งทะเลยวนคือมาลงเรือที่เมืองงุ้งแล้วก็เรียบฝังอ่าวตันเสียผ่าน ท, ทะเลยว น, ย น, นเข้าอ่าวไทยผ่านประเกิรีขันคุมพนะแล้วก็ล่เอาอ้อมแลมลายูเข้าทอง่อมาลกาอเมาสุรินเดียผ่านเกานิโคบา แล้วก็ขึ้นทางที่เมืองเมืองเดียในแคกริงกระลาเรียกว่าเมืองตมรัอเปติที่นี่ระยะทาจากลางตู้มาที่เมืองตัมรักอุปติเรีอว่ามาโดยที่เมอจใต้คุณมาอยังสมบัติพาระยะทางสามีและเรือมาใช้ชีวิตในมหมุทรสามีเต็มเตละเรือมานะระยะทางนั้น หรือไม่ดีางทีว่าบอกนะบอกบางเกามีคนกินคนซึ่งเกนี้โคบ้าในกระพปงตาขับในสูมาตราเนี่ะขอกล้าหัวคนขอกินเมือคนบางทีเรือต้องเอาเรื้นค้าน้ำจืดหมดแล่เที่ยวข้าวอาวแล้วก็ส่งลูกเรือไปหาน้ำจืดไอ้พวกปาตักมันลงเรือไปดูมันแล่นมันแลเรือใแพรใส่มาเผาเรือแล้วก็ฆ่ามรุดในเรือย่างไปกินเป็นอาหารมนุดคนป่าเอาปาตัก ในเกาะสมา ต, ตรกินเป็นอาหารอ้าวแลในคนป่าไปเปเกาะนิโคบาเกาะนิโคบาเนี่ยเป็นการเกาหมู่เป็นเกาะในหมูกาะกกอันดามันอ่าอยู่ในมหาสมุทรอินเดียไอ้พวกคนป่าในหมูกก่เกาะอันดามันมันก็กินคนอีกและวแง่เป็นไผ่หาน้นจืดแล้วก็ไล่ผาลำบากมากไม่ตาได้ต้ถก็ตาได้มัอนกินคนไม่ตาได้มันกินคนก็อดน้าตาเ น, น, น, นี่ยลำบากเเกินแต่ถึงอย่างนั้นเถอะยังไงก็มีเรือทีอ่ล่องรองปลาล่อ อันตรายไม่ได้บ้างเขามีอันที่เราตายแต่ถึงอย่างนั้นท่นก็ตายกันไม่เคล่อนตายกันตายต้อตายเนี่มีทีองหนึ่งมาทางทะเลเรือล่มแม่เอาไทยโดยพยุทธ์ใต้ขุนเอาไทยแล้วก็เรือล่มล้วังเรือล่มน่ะนเรือทั้งคาวใหญ่น่ะมีเรือสำรองไวเรือโบสตํารองไช่วยชีวิตมนุษย์ตอนนี้ประเรือเป็นทหไป ก็รีบมีคนข่านหนอนมนลงพ่อลงเรือไปจอนะขนย่างให้ลูกมาขับโยกอย่าเลยขอให้มนุษย์บนเรือทั้งหมดเนี่ยเาลงเือไ้หมดแล้วลงพ่อขอเป็นคนส้านะอเข้างเรือกันหมดแล้วเรือเต็มแล้วลงพ่อไ็พี่ชหยลงแล้วกัปตีนสี่ลูกนายเรือก็บอกว่าจะยอมสลากไม่เรือจะยอมตายท้องเลือห้างพ่อกัปตันเนี่ยลงมาใเรือแล้ว ถ้าเจของเรือเขาจต้องจงไปพ ร, ร้อมกับเรือล่ะหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าเลยถ้าหาก่าโยมตายไปแล้วไม่มีใครจะลุกฟู้นประเทศการเดินเรือแถบ น, นี้นอกจากโยมใครเล่าจะพาเรือหมดเลหลเนี่ยอาชีวิตคนจะมุดได้้อยเนี่ยเพือนารตายได้เพราะฉะนั้นตอนอาตมาตายพรอมกับเรือเถอดท่านยอมตละสติดที่กับเนื้อที่ข้งท่านให้กับคนอื่น และเขาพนมมือภาวนาถึงพระพุทธคุณป้องกันเนนสีลูกอธิษฐานใจเปล่งคำอธิษฐานบอกว่าด้วยเดชพระอา น, นิสงส์ที่ข้ายอมตลาชีวิตของข้าเพื่อช่วยคนอีกจำนวนน้อยๆคนความตายเนี่ยขอข้าได้ขอพระพุททอกคหนึ่งในอนาคตขอเมื่อข้าได้เป็นพระพุทธองค์หนึ่งในอนาคตแล้วขอให้ข้าับได้ลงมาช่วยโปรปัดเหล่านี้ที่ต้องจอมจมม้วยอยู่ในถ้ำกางทะเลพวกทะเลพวกแบบนี้อันตรายกวา่ามนากวนยังน้อยนะ แต่ทะเลทุกขคือความเกิดใจเก็ดตายมันยิ่งใหญ่กว่าขอให้ข้าจะเป็นที่พึ่งในคนเหลา่านี้เหมือนกับภาพนี่ข้าเป็นที่พึ่งในคนหลังนี้ด้วยเถิดที่ข้าปิาบัิเรือจงไปน้ำไม่ทิ้งตาขันแม่คนลงเรือลอยลอยล้มท้ายลำใหญ่นายเรือก็บอกว่าพลันละลายท่านผู้นี้แหละเป็พระโกดีศัก์แน่นอนแล้วถ้าไม่ใช่เรือเนาะรือหลอนนรือทุทางคู น, นมาเกิดแล้วที่นายสยามระลดชีวิตของตัวเพื่อพวการาลายได้ทั้งที่ข้าบอ้ท่านเรือก่อ ท่านก็ม่ย้อมลงข้าย้อมตาเท่ากัพยายามจะขาดตายพั ย, ยอมตายแทยนข้าไอเนี่ยปจนน่านทานมาไว้ดูวยเถิดงันหูนี่แคือพักผูริศมาเสดใหม่แหมคนคนเรือตั้ง ร, อรอ้อยกว่าร้องกว่คนในเรือบทสี่ลำร้องอ้ายเป็นหมดฉันกขันหูนี้เป็นธธูริศแน่แล้วนี่เป็นประวัติทีมองหนึ่งที่ไปเรือโจมในอาวไทยขอยงเราเนี่ยเวลาที่ท่านจะอยู่ในขิดแดนคิดใจเราไม่รู้แต่ว่าราอป็นอันก็หมดรูได้แว่ามันผูทริศแน่เพราะโผู้ริศที่ไหนจะยังสบาดทีนี้ ของตัวเองเพื่อมหาชนมากมายที่อย่ยงนีนี่ว่าไปงนรานี้พลังงานนอกจากข้าทะลาบได้แล้วนะยังต้องข้าวภูเขาที่มาลายอีกภูเขาทมาลายเวลาดู้ต่ข้าดูสิพวนักใายเขาอะมีหมอกซเนเอยมีอะไรเอ่ยขึ้นทำใจให้อุณหภูมิติดตัวไปด้วยหาวตายเลยมาตัดตายอมสมัยคร่กวีอกซิเจนไหนมีหอออกซีเจนไหนไม่มี นี่ไอ้เครื่องอัดไออุ่นรักษาคนไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่ขาองูเขาิมาละยเนี่ยไปตาด้วยโลกผูเมามัดตายบนภูเขาน้ของก็มีไปตายด้วยตกเหตุตายก็มีเวลาฆ่าเขานะปตายด้วยเป็นโรคนิโมเนีย่อดรวมตายก็มีบนบ น, นบ้นมันหนาจัอุ่นมีไม่พอเป็นนิโมเนียตายเป็นร้ร้พระ ท, ที้ไปตายบนภูเขาอะเป็นร้อรอี่รุ่แรกตาไปได้น่ะดีกว่าเป็นมนุษย์พออดเป็นคน่ะ ถูระกเด่าภูเขามีมาลายนะไม่ใช่มีลรกเดีวยวนะทั้งต้องข้ามที่มาลายข้ามจินโดโกดข้ามจินิงยงตาข้ามภูเขาปามีตาราลูกสงจากรดับน้าทะเลสหนจพันฟตเปภาระคาลูกราลูกเอเรสตงดับน้าทะเอพันเป็นยอดงุดแต่ว่าอลูกอลูจะองลอยออกมาน่ะไม่มีลูกไหนต่ำ่าสองหมืเลยไม่เลย หนูมีแต่ดีมากเลต้องาให้เวลาข้าภูเขาเหล่านี้อย่างเร็วเจ็ดวนอย่างเร็วหน่มาเอควม่ันตเห็นสเดือนแสนตาไม่มีไม่มีเลยมีแต่ควมเป็นขยับมอกเอไปหมดเป็นปุยมากไปหมดความหนาวเย็นเนี่ยดีไม่ดีมองไปเห็นทางมือไม้กระนันไตนั้แข็อยู่อ่ะข้าข้า้าขาลุดมาต เยอะแยะไปหดเพราะเหตุนั้นท่านที่พน า, าว่าเขานั้นขแข็งแรงรุ่งรันพันธุ์ต่อไดอายุคัติมาปลวปันปวนตั้งพันลี้นี่คือสภาพการที่นักขุดดงเหล่านี้จะริเคิลพบข่าวในวันนี้จิ้งได้ขอเสนอชีวะระบายนขางท่านนักขุดงชาวจีน ท, ทีน่มีชื่อเสียงองค์หนึง่งคือท่านสังขตังจังที่คนชาวไทเรารู้จักกันดีแตเาเป็น้สังขตัจังได่งมากรู้จอก เอเชียวว่าที่เคยดูหนังก็คงมีบ้างถ้าตั้งคั้งๆหนังมีตัวจริงแต่เรื่องราวในนิยาที่มาสร้างหนังเป็นเรื่องคอเรื่องไตอิ๋วที่เราเอามาแฝงกันน่ะเป็นเรื่องการแต่งขึ้นสาหรับหน่งนิ้วนะจิ๋ว่ามีบริวารวั้งคั้งๆหกสิบสามคนน่ะมีเฮี้นเตี้ยคนหนึ่งเป็นลิงผู้ใหา่คนหนึ่งเป็นหมูแล้วไปตัวเจ๋งคนหนึ่งสามคนนั่นน่ะสคนนี้เป็นตัวบุคคลาธิขานออกมา กีเล่เข่เชี่ยนี่เป็นตัวโธ่สาแเ่ตายเป็นตัวราคะแค่ไปเจอพู้ปีศาจผู้หญิงไม่ได้เป็นปีศาจนางกำลังลุ่เนี่ยพู้ตายเป็นหลงเจอผู้หญิงไม่ได้เป็นหลงเรี่ยวกินจุอนมากเป็นตัวราคะราคะกินไม่รู้อิ่มแต่ตาไม่รู้หอเหมือนตัวายเหมือนหมูกินไม่รู้อิ่มข้าดิบแล้วก็อาใส่ฉลับเนี่นี่คือตัวราคะกินเปรี้ยวหน้าตาเป็นหมูทองท้อง เฮงเทียนเป like ็นต so so uh, like ัวเจ้าเจ้าโง่บ่ะไอ้อะเขาจะค่าจะเป็น่ตากโกรนะกหัวเ่งียนะโกรธโกรธโรธเกงแต่ว่ารัฐหน่ะเฮงเทียนน่ะโกรธง่ายหายเร็วอ่าเขาอยู่ไรไม่รู้่อีว่าเขาอยู่ไรน่ะกองเอาทั้งเฮเทียไว้ไว้ในท่าแล้วก็มีหูวิเศษยันติดกัไว้พยากรณ์่าเมื่อไรเาทั้งฉังฉังไปสะเทไปผีผ่านมาว่าภาษาหดนึงแล้วก็ูู่องหันี่ขาดได้แล้วคือยัน ประมาณแล้วเราบ อ, อเอ็งเกียที่เพิ่จากไอ้ครามทรมานจากขังในภาคใต้เอ็นเกียตครังในภาคเหี่ยเป็นเวลาหลายหมื่นปีเท้ากัทาอังจงอย่เพนกระททงองจังจเดินทางผ่านมาประเทศไซดีคือประเทศอินเดียนเองคือประเทศตะตกด้วยวไซดีนะคือทาตะนตกผ่นกานมาทางอังจังอากระบน้าไปเป็นพระมือหอมไอีมืองจากอายุยืนหนึ่งหปีเป็นทิศปีศาทั้งหลายจึงบ Ak, เมืขอองค์นี้มักินนักแปงเป็นต่างๆมาล่อมาหลอกพอท่างลิาจา น, นก็ผ่านมาโมผ่านมาแล้วเฮงเคียก็ลอกแล้วให้ช่วยเมื่อท่านเลิกจันแล้วเฮงเคียก็ยังอาราวาถวดดีท่ า, ามีคาถาว่ากำกับป้าคาถาว่ากำกับของมันจะให้เฮงเคียัวดหัวทุกทีอาลาว่าผู้สรู้พ่านจังก็ว่าคาถาว่าสื่อเฮงเคียก็ประให้เคียอยู่มือทีอันนี้ก็เป็นธรมาริษานลาบอกว่าท่า น, านกำจังว่าคาถาหนักเปรียบเหมือน นทธิถึงธรรมะเมื่อเราเกิดโทตะแล้วห า, า, นนากใจเราหยุดคนะฤทธิ์ถึงธรรมโทตะก็ต้องให้พอไปอันนี้ผู้จัดฆาติ้วน่ะต้องการแต่งเป็นลูกฝคาราทิฐานแต่กวามจริงเขาเป็นธรรมาภิฐานอขาตัวเจงน่ะเป็นตัวโมะ่ะโมเป็นศีราะแล้วแต่กาเพ่งเพียร์จาบแล้วก็ให้เกียรพามาให้มาสวัสิ์ักอาไว้ตัวให้เขาั้งกำจังเป็นลูกศิษย์เพราะ่เ็เป็นตัวโมหะเป็นคนที่ทำอะไรเรียก่า คึณตึงไม่มูท่ท ะ, ะลุตึงตังอ่าเป็นลักษณะของคนเจ้าโมหะคือมีลักษณะน้ำหนีงไหลลึกนะที่สงตัวเจ่งมีรอบตัวแต่นานๆแสดงทีไม่แสดง บ, บ่อยๆเ้มืยอย่างกับอ่าเขียวเนี่ยบริวาลูกติดอังกำจังสามตัวเนี่ยคือตัวกิเลสได้แก่ราคะโทสะโมหะถ้ามาเขียนเป็นลูกปุกริฐานให้เห็นหน้า ไอตัวนพิศารต่างๆพิศลัรมารงมุมต่างพิศัารตะดือต่างพิศดารรกและต่บงเกลืด้วยว่าพวกกิเลยทั้งหลายพวกกิเลสสะมาทั้งหลายที่มาคอยขัดขวางการเดินทางของข้าพรงพิมา์จักรมาในประเทศฝซา์อินเยเร็จเดื่องกๆลูกไรต์อินเดีย้องหลักสส่ให้ผู้ใหญ่อ่านสนุกเป็นอานเพลินแล้วก็ส้อหรับพวกนิ้วเอาไปเล่นได้แต่จำที่มันมีเรื่องจอย่างนั้นหลครับไม่มีเรื่องริดเดดมากมาอย่างนั้นหรอกอะไรเป็นเรื่องใหญ่ข้อ จริงนั่นเป็นอีกอย่างหนึงถ้าตังตังจังมีโจอจริงมีชีวประวัติที่น่าทึ่งจริงอันมีชีวิตอยูงง่ในสมัยพระเจ้าทังไถ่ทรงอภิเษกหรือเรียกว่าลีซีบิ้อันเป็นกษัตริย์องค์ที่สามของราชวงศ์ถังเป็นมหาราชเป็นหนึ่งได้แทบบนจักรวรรดิีออกไป พิษตะวันออกจุดเกาหลีพิษตะวันตกจุดทะเลาบท็กเตียนคิดเหนือจดตักเซียวลนั้นรัศมียัไม่เกิดจไฟดีเดียคิกตาตีได้ยวนจากตาอเมงเป็นเมึงขึ้นหมาเป็นหมาจากวัตถังอันยิ่งใหญ่ขอไปหมดทั้งจาตุธิทั้งไหจงท่านสังคังองนี้เกิดในตระกูลแกตังคนในตระกูลแก่ตังดีดาเป็นคุณนางคุผู้น้อย แล้วก็มีพี่น้องเป็นชายดยกันสองคนพี่ชายบวดเป็นพระบวเป็นพระเป็นเป็น ป, น ป, นปนริยนอยู่ในวัดของหนึ่งในนครลเบียงส่วนน้องชายคีอตัวท่านขงั ง, งเป็นจาหน้าชื่อว่าเฮียนจเฮียนจังตั้งแต่เล็กก็ศึกษาปรัฐฐชญาขงจื๊อตั้งแต่ตระบุบุตรที่ดีบิดาตั้งใจจะให้ลักษณะจะกลายเป็น ข, นนขงงนุนขนางให่บุญอบรมสั่งสอนในทางแต่ทำสั่งสาระที่ขงจื๊อไม่อห็มา อ า, ายุเจ็ขวบคพูดของที่เท่านัได้กว่า า, าได้หมดกาป่าได้หมดหาามว่าแค่แต่ว่าพิดาตตายเพี้ยนำภาพิดา้าที่เจขวบหรือแต่แม่ต้าที่ตั้งเจขวบาพแม่ทีาเอาไปเลี้ยงไงยว้ใ น, นวัดอายุสองท่านก็บวชเป็นเนยป็นเนะอายุอ่าเมื่อบวชเป็นเนยแล้วก็กตื่ตก็ทำวินัยมีความรอบรู้รแต่ฐานเป็นธรรมกระดุอายุสส นีเสียงงงดางขอ่ประเทศไอ้ไทก็มีมุลินโอเทำมากรมตุกตั้งสิบปีก็รู้แต่อาน่พระดีดตั้งแต่นันมาเมื่อยุคครอบปฐมบทแล้วปฐมบทเป็นหน้าหลวงพระเจ้าแั่นดินทรโปรดให้บวชหน้าหลวงขึ้นในราชธานีได้เป็นหน้าหลวงเมื่อบวชเสร็จเดินทางไปเทศนาสังสอนทั้งทีมเหนือทีมใต้ทั่วสปมณฑลในเมืองทีก็เห็ว่าเอ ถ้ามาวินยที่ตัวต่อต่อมาไปขอเนี่ยยังมีบกคล้องอยู่นะเพราะเขาบูกแล้วนะประเทเป็นภาคอินเดีย น, น, ยนบประเทศเป็นทีนั่รู้ภาษาทีนในรุ่นซึ่งแพร่ผมจะมีอะไรข้าเครื่อนท่านก็ตั้งคำถานใจว่าในชีวิตนี้จะต้องเดินทางไปศึกษาถึงอินเดียด้วยตัวเองถึงสันต์เลยชึ่อพักควรบรรดาเรื่องสูงไม่สายปราทนิงว่าเราจะไปอินเดียกันนะ อันกันได้20กคนด้กันพวกเราจะไปอินเดียกันแน่ละพวกจะไปตัดรัไปกันจะไปทาหมกข้ามาในสายโคบีกันย่ามันพราะพวกอังกันมั่นคงข้อเกิดเพระราชเจริญการออกกฎหมายขึ้นมาใหม่ฉบับหนึ่งเวลานั้นทีมกนังทำติดจะกวกตะกีเราทะเลายไปอาตะกีอยู่เขาแจ้งทงไทโก็ออกไปกฎหมายว่าอ้ามคนในออกคนนอก ถ้าม่คนในประเทศเดินทางไปทางตันตกคนนอกถ้าไม่เข้ามา้ามันเป็นกฎหมายแล้วบรรดาจาทำนิดก็แทบแทบจะไม่เคเห็นจะตาไม่ได้แล้วถ้าไม่จะาจะแล้วก็โลกตกจากต่างใจท่านเย่ยงทางคงเดือดบอกว่าลงได้อธิษฐานตื่นวาจาจะไปแล้วภาษาตัดแม้ว่าิตรีจะตาไม่แต่ตาม้างจะพ่อตายหระรเป็นการผิดกฎหมายแล้วนี่ กอท่านก็เดินทางมาถึงเมืองทายแดงตัวมุนเมืองตุหัวที่ว่าเปทามปทานทาเมืองเป็นเมืองทายแดงเป็นทะเลทรายพอมาที่มาทมุนตุหัวนี่ท่กเที่ยวถามใคจ้าจะมีใครรับจ้านำท่านท่าทะเลาโตบินไเอมีใครจออาสาครับทูรมันเขาบอกโอ้ท้าไปองเดียไม่ได้แล้วอ้าองอรวางานไปทางเป็นแล้อที่ทะเทรายเลายอท่านไปองเดียว็ คนนั่งพังคนหนึคนสชีวิตที่แล้วมันจะรอกอป่าอย่าไปเลยตายกล่าวอย่าตามันระบาดเลยท่านก็มีเอวันหนึ่งมีต้นกล้าคนหนึ่งจุ่มมาหอมหอมสีดงงมาหาท่านบอกว่าจะขายมาให้ท่านอ่ะท่านบอกว่าเอ๊มาตัวนี้เนี่ยเขาหอม โร๊ะแกบกว่าท่านรู้ผมนะมาของผนะมงงตัว น, นี้นะผมเอาสาสีเขาทะาตายตัวนี้มาจดเที่ยวยแล้วนะวันนั้นมันขึ้นเคยทั่ประเทศนะท่ันนะไปเหี่ยมจ า, ามก็เลยเอาเอาไปวามจีนก็อาตมาซื้อขอตัวจะไะด้สายสีเข้ารกทะเลตายก็ซื้อกับโต๊ะแกคนนี้วันนั้นทอาีมีหมอดูคนหนึ่งซึ่นหมอดูเสียงลูกเต๋ามาพัไนนะากไปว่าให้ก็ร้อ่เอเอหมร้องเสียงท้ายที่ว่าอาตมาน้าจะไปลงอินเดียสำเร็จไหม หมอเขาเสี่ยทภัยบอกว่าทมไมชาบนะสิ่งห น, นึ่งแล้วบอก็นสภาวนี้ดีสําเห็จคือนั่นท่านาตักอปิษานกับอ่านรานในโบดบอกว่าอาตมาท่านตั้งจิตอาฆาตไว้หมายมุ่งจะไปอินเดียเมืองคาลก็คุณจะต้องการศึกษาธรรมวิ น, นัยของพ ร, าาระาบนาในตัวเองและนำจักมาเผยแผให้เป็นกิจารวิประโยชน์แล่เพื่อ่วงทาสขอ้พระคณะไนะ แแสดงในนิสัยจาสุก็จะไปได้สาเร็จที่งไม่ไสาเร็จพอหลับไปก็เกิดในนิสัสยว่าตัวถ้ำเนี่ยลงไปในทะเลแห่งหนึ่งน้ำทะเลตึนทะเลนี้คือมีพวกปากลาไล่สา ย, ายเวียนวนอยู่ไปมาในกลางใจกลางทะเลนี้เขาขาวลู่มันนั่งมีปราสาทมีแสงสวนส่นเป็นแก้วที่เนกราสานั่งไอ้ความอยากจะไปก็อยากจะไปใจจะขาดแต่หาหัวงพองก็ไม่มี แ, แ ล, ท ล, าาแ ล, ลาาวอยอยที่สุ้ก็ตัดใจแต่เอาไว้แลตายก้าวเข้าไปนน้ำเลยพอเขาไปในน้ก็เกิดต่อบบยหินส้นมาับทุกิีก้าะท่างถึงภูเขาอูกนั้นท่นานก็จะเริมเือดีใจบอกว่าพี่มิริังอย่างนี้เป็นความมิริทละต้องไปอินเดียเสมอเลยละพอวังต่อมาต่านก็เตรียมอาหารถือว่าอาหารที่เตรียมเปาต้มมีข้าวข้าวตูแล้วก็มีน้าไ ม, ม่ต้องอาศัยกินในะเลตาย ไปหยกใหญ่ๆไปปุงงที่ทำเลหนังสั่และสีมารือโดตัวนี้ไปออกเดินทางไปได้ประมาณกับสองสามขบวเจนหนึ่งคนหนึ่งเป็นต๊ะหนุ่มาบอกว่าอาจารย์ครับผมจะขอไปด้วยผมรอาสาแต่อาจารย์คนนี้อาจารย์ผิดังเกดมันลุกขึ้นมาจากที่ถออาวามาจากตัววีดตีมาหาทน เมื่อเราจะมาที่ฐานแล้วพรมาเข้าใกล้ตัวท่านท่านจะนอนงีบเอาเมื่อทำเข้าใกล้ตัวท้านก็บอกไมันด้สู้กันละเหีนตัวว่าเอาเข้าใกล้ตัวท่นจับถอยแล้วก็ค้ากลับไปที่นอนตามเดิมท่านก็ไม่หลับลกจากเอาพระหออกจากสวนลูกคุณมาสวดมนต์ให้มันได้ยินกคุณมาสวดมนต์าวนาถึงพระอวโลกิเตศวรโปธิจักรพระกุณฑีภาวนาถึงนอ้าพวกหนุ่มคนนี้รุ่งท้างจบอกว่าอาจารย์ครับ ผมไปก็ทำไม่ได้แล้วผมยังมีเียอยู่คริหรบรารบริหารบิารัที่อยู่ในธระได้ไม่ทำนั่นอ่าขอถามว่ารักในว่าะไรใครเยอะมากเลถ้ามากกว่าามากกว่าถ้าไม่มากเลย้าเป็นคนมากอาจจะตื่เราว่าตื่นขึ้นอยู่ได้แล้วถ้เกิดว่ารักในว่าอะไรรเยางนที ตองตามที่เนเราเราต้องถือภาคข้างใูกเตรว่าภาคข้างเนี่ยมีบัญญัติที่ถือยติว่าสค่ขาบดอันใดธรรมะอินัยข้อใดที่พรุ่งนบัญญัติแล้วจะไม่ถ่ายถอนที่ไม่ได้บัญัติจะไม่สูรู้เพิ่มเติมข้อนี้นกอที่ช่วนร่ะหว่างบริสุอันนี้สำคัญมากใี่อาจจะพมตมาเนี่ยอาจจะตัแล้วออกไปแต่รใครเราจะรู้ใช่ไมฮะวพโลกเราถือมามหากเรา ตัวเรามาถามตัมเองคุคืออครัวเองมาว่าใครทเอาเราไปเนนััเองกาเขวเององไมีอะไรยเพะนั้นมาติดส่นมากจริไม่เคยเป็นธรรมเสมอไปมากิด่วนากไม่เป็นธรรมเสมอไปท้อันนี้ทําเสมอตัวเองเราราบไปาน่าเปนคนท้ายจริ่หมถูกนะท่านผู้ใจกลางอนามที่ปิปไตายังไงครับอาตมาทิปไตยโลกอามาที่ปิปไตกับธรรมะที่ปฏิปไต่โลกอมาทิปไตสมาิส่วนหรือไม่ ไม่เูกไม่ไม่พงยกยกยก่งธรรมะทีจตยความชอบความยุติเรอเดผลแต่ลกันไม่ลมากกว่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาา่าาา่ ถ้าพุทธเจ้าจะว่าถูกหมล้อมเยอะต้ไปถาครับคือถ้าพุทธเจ้าไม่ไเนี่ยถ้าพุทธเจ้าจะว่าว่าที่ผานเรื่องถหุ้มอมเยเลยเมื่อเป็นที่อย่างเราเปล่าเป็นอย่างนี้หรอไม่เปล่าไม่ผ่านเลการที่บาลีผ่านน่ะมีอยู่สองไงยะไงยะรับกับไงยะปิเสธการที่บาลีผ่านในพิสาสนานสงยะ ในยะรับออย่างไรคือข้อความที่พระบรมศาสดาตราว่าวิธานังประมาณสุขังวิธานเป็นบรมสุขอย่างนี้คือในยารับในยาฏิเสธคืออย่างไรคือคำปฏิเสธเบอกว่านิพพานไม่ใช่อัตวีเปโตรวาโยอาปไม่ใช่อาการสานัญกายยตนะบิญญาณายุตนะจินกัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะไม่ใช่ที่นั่ที่นี่ไม่ใช่พระอาทิตย์พระจันไม่มีที่ตั้งหนไม่มีการสุติ นั <necessary. S 2> no, they they Now, ่นแหละที่สุดทางทุกยัก์อธิบายอย่างนี้เป็นไม่กริเศทํษาทำไมทุกคนใ้ได้รับสองในยัยษ์กเพราะว่ามีพารเป็นสุขุลิกชนสายแห่งปักตักคือการคุดคำว่าความนี้เป็นที่เนียเพราเองทำยังไงอย่างกับสมััจิุบันไม่กว่าว่าทรงกรณศึกษาการที่จะใช้หลักลยิกเพื่อที่จะมานุยาน่ะไม่ได้เรื่องอยิกเป็นเรื่องกานเล่อค้ารมและเรื่องการหาเหตุผในแง่นีเลย่า้ใช้ได้ แต่การเข้าถึงวิชาในใช้หลังวิชาแรอเป็นเครื่องมือล่ะไปไม่ได้ที่ิเศษ่างนี้เวลานั้นในอินเดียเป็นดายผ้รอมีพวกเจ้าถอยหม้อกวันพวกเจ้าโ้คาร์เี้มากมายโดยเว่าอย่างเชปริภาชกคุปปิภาชกเนี่ยคือวิชาการอภิไร์ไรอัสติกคือภาษามารวิชาไรอสติกภาษาวิธีการอภิกรยเช่นวาีอย่างสนัตตรีไชกันอย่างเซปติคคือใช้เป็นเครื่องมือในการแผ่ปรัชญาของเขา ดาดฟิเ น, เนี่ยอภิตายสักก่อให้เขาห็นขอ้อทักตื่ความย่นดีให้เห็นจับเหตุจับผลนิพานเป็นอำนาจที่เหมือเหตุเหนือผลเอาเหตุผลทางโลกเอาหลักลอยหยุดทางโลกมากวัดนิพานไม่ถูกเห็นนั้นพวอกองค์จึงปฏิเสธว่าจะอายวิทยาการปัดสัมผัสยาหรือลอีหุเนี่ยคือมิสาหการตึกให้อย่างนิพานนะ่ไม่ได้แร้วมีได้ทางเดียวต้องอาศัยทางปฏิบัติขัดเกา ทางทางกาเดินทงปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อการขัดใจกายรายใจใจถ้างนั้นเองจะถึงได้ลำพังใช้คารูแต่ใช้ความคิดแล้วก็อาเหตุผลมาตมล้วจะให้ถึงมพทานอ่ะไม่มาปฏิปฏิเสธอย่างนี้เนี่ยความหมายนะ้รับนี่มีชิ่ตรงนี้ครับขึ้นแล้วว่าผู้ชายว่าที่างนั้นจะคิดไม่ติดใจไม่ได้ครับเราถึงไม่ได้การคิดไม่ตดรองเลยอ่ะ เป็นทางเปยี่ให้ถ like? ึงนิทานไม่ได้ลำพังอังหลักผ่าหแล้วกอาศัยหลักลอยกให้ถึงนิทานจะได้ดีดีกว่าถ้าปว่าคิดไม่ติดตองให้ถึงนิทานไม่ได้แล้วทำงานก่อนมี่จะถึงนิานทุกคนต้องคิดก่อนเนี่คิดก่อนว่าคิดอยากจะได้นิทานคิดอยากจะจะให้ถึงนิทานใไหะแต่การคิดอย่างนั้นมันตัวที่ทให้ถึงนิทานโดงากว่าเป็นเครื่องกำลับสนุนเหตุนั้นเมื่อจังจีทามถามพระพุทธเจ้าว่าอ่าอะไรจะเกิดก่อน นิพพานยานเกิดก like ่อนสัญญาณไดเกิดก่อนเพราะองบอกว่าสัญญาณเกิดก่อนแล้วก็นิพพานยาจะเกิดมาทีหลังต้องอาให้สัญญาณก่อนครับสัญญาณกำหนดหมายรู้ก่อนหมายรู้งว่าตั้งใจว่าอยากจะได้นิพพานอยากจะบรรลุนิพพานอาศัความที่อยากจะได้อยากจะถึงอากาอาวามอยากจะได้อยากจะถึงนี่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอย่างอยากได้นิพพาไม่ใช่ปัญหานะครับการอยากได้นิพพานนี่ว่าทำมาชันผา เป็นฉันทาไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาเป็นโลภะเลยอะุเจตสิฉันทาหน่าไม่ใช่คุณเจตสิไม่ใช่ไม่ใช่ฉันท่าไม่ชอเจตสิอันนี้เห็นได้ชัดสิเดียร์เป็นทำไมฉันท่าการอยากปฏิทารน่ะไม่เป็นไม่ไม่เป็นเหตุให้เกิุไอ้คนปัญหาความอยากอันใดเป็นต้ให้เกิดภุดความอยากอันนั้นจึงเป็นปัญหาส่วนความอยากอันดไม่เป็นต้นตอใกิดนั้นความอยากอันนี้เป็นเหยฉันท่าต้ความแยกปรเด็นครับแยกว่า พื่อที่จะจัดปัญหาการนิพพานนั้นคิดนิสิองได้แต่ในนิพพานนั้นคิดสิตอไม่ได้ชายามเอาต่อไปนะครับปัญหาต่อไปชื่อว่ารถ้ฟอินเดียทำในรวมทั้งหมดแปดมูลนิพพานันั่นแหละเพราะทราบาแตยกได้เป็นสาส่วนคือพระวิหารส่วนหนึ่งพระสงฆ์ส่วนหนึ่งและก็ะนิธพานส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ในบางท่านแ้เป็นสายแต่ระว่างประตูยังว่าถ้านิพพาไม่ใช่ทุพจน์ที่นิ็พาว่าถ้า ถ้าไม่ยอมให้พระอภิธรรมอยู่ในพระใจดีดแล้วพระใจดีดชื่จะเอาไว้วันแรไม่ถึงแปดมิลเดือนเป็นเทวิตีดีดเอ๋เทวิตีดีดใครประนาม ว, ว่าพระอภิธรรมคนจะงัดออกจากพระใจดีดคนนั้นเป็นวิชาที่ส <c oughs> ใครบอกว่าใครบอกว่าพระอภิธรรมใครบอกว่าพระอภิธรรมไม่จำเป็นต้อ ง, ง, งเสียดิลมแล้วมัมรนรู่งร่ามเตะคนนั่นก็เป็นวิชาบาทีนะ บอกว่าอาธิธรรมน่ะเป็นเป็นเป็นอย่างไรอาธิธรรมน่ะเป็นคำขยายความพุทธพจน์คำขยายความครับรักธรรมน่าริธิธรรมเนี่ยเป็นพุทธพจน์ตัวตัมาติตาเติมโตธรรมขันห้าเขาบอกว่าเป็นพุทธพจน์ริพธิธร่ะว่าไม่อาธิธรรมยกนะอธิบายขันห้างใช่มั้ยไมีอะไรเติมเลยขันห้าเลยแม่เขาบอกว่าถึงขันห้างมันเปนพุทธพจนบ้างเขามาอาจจะาเก่าว่าขันห้างมันเป็นพุทธพจน์ ทำขยายความแล ina, ้วทำขยายความเ่านี่ถ้ะพระบรมศาสดาท่านได้แสดงเป็นตัวอย่างตั้งแต่ขั้นเปิดารพระสาวกเช่นพระาวีบุตรพราวีบุติที่นรคู่พริธามพระมหาปุณนะพระมหากัจชายนะพระสาวีบุตรอ่าพรายะท่านเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ขยายความออกมาพระสาวกขุนต่อมาขยายความออกมาเรยแล้วก็รวบรจตน์กันว่าเทระวัตแล้วจะต้องมีว่าภาะใหญนี้เนี่ยคือล้ำธั้ทสูตรนะ ต่างนม่กายต่างมีรอาส่วนตัวตรงกันส่วใหญ่ตรงกันถ้าส่วนส่วนใหญ่ทุกที่กายตรกันแต่ว่าการปีกวางในขั้สส่วนที่เป็นตัวพุทธพุทธะนี้สิไม่ตรงเหตุว่าจิงจำเป็นต้งมีคำปีกวางคาขยายปากที่เอามันเด็ดขาดรักษาพุทมติอย่างบริสุทธิต์ตะวันจึงไม่เกิดอภิธรรมปีดกขึ้นเพราะฉะนั้นท่อยคำใ น, นอภิธรรมปีดกแม้จะมีบางส่วนเป็น่อยคำาภกษาไว้มันจะพุทธพุ ท, ท้งหมดนะ พ้อสาวุกล่านั้นล้วนแต่เป็นฆาตอาละหันอาละหันสมุคคนนั้นน่ะใครมาประมาณมาว่าคำเหล่านี้ใช่หรือไม่ก็เทอมนามคําตอาอะหันสิไม่จำเป็นต้องวันตนึ่ก็ตอทุกคาคําภาษากุกทีเป็นฆาอาละหันที่ท่านขยายความออกมาขยายความพุทธพุทธอันหนตวมาติกาออกมาเก่บกุศลธรรมากุศลธรรมมาพยาตาธรรมากุศลธรรมมาได้แต่อะไรนั่นไอเขามาได้แต่ปัจจักตะมังรูปังนูปเป็นนั่นเป็นฉะไหนมีท่าไแล้วก็ขยายความคาขยายความออกมานี่แหละเป็นสารกพาสิ แล้วภาษาที่กล่านั้นล้นแต่ชั้นภษาลบุตรธรรมาปุณะนี่ธรรมะกที่หงแล้วก็อาสรรมะกัจจายนะนี่ผู้กิดผู้มีเอภัสคะในการกระจายธรรมเจ้าอิสตานจนท่านสุดท้ายคือขมุขลีบุตรติจาท่านอ่านอาหานี้กันแล้วครจะมาเป็นนามาอหารนี้คุณจะงัดถอจากเขาตายในบ้านคุณนั้นมาเป็นชาวิถีจะทนไหวหรือเพราเห็นเป็นการประนามคำบาอาหตบุคคลนี่ เ, ออเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของพาะพิธามเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือว่านแนแง่ของประวัติศาสตร์นแนแง่ของอาภัสานักบวาทาั้งนี้ทุกที